การบนส่งความรักจงหมดที่มีมานณเราจำไปยึดมุ่นออกจากยาที่ลีลานะแมจะม่มีดาวที่ส่อนสว่างบนท้องฟ้าใ้ชีวิตไม่เลยโอ้เบซีโอเบ๊บเบ๊บความรักถึงหมด มันคงจะดีจะวันหนึ่งเราเป็นภฟนจะหวงแค่กันทุสทุกวันบอกรามากว่าสิบรอบตอนนี้บอกชอบแล้วกันก็แบบว่าใส่ไปใส่เก่าใส่คงเข้าใจความรักที่ฉันเคยให้ไปช่วยรับเไว้ใจที่ฉันเคยให้ไปเก็บเราซ้ำแล้วไว้ใจที่ฉันเคยให้มามันไม่แกยให้ไปไหนเลยแค่อยากให้มีเราสอบเราให้คเคยบินกับฉันตอดนี้ ถ้าไม่ต้องสนใจมีแค่ใจแค่นี้ก็พอ คด้ยิงคุณหรอกผมใส่ไอ้อมองเอาปืนมาจ่อให้คุณนั้นรีบส่งมันมาหัวใจของคุณที่เก็บไว้นะไม่อยากจะเป็นผู้ร้ายแต่อยากจะเป็นผู้รักเฮ้ยให้คุณรีบส่งมันนานี่คือการปลดและจะไม่มีข้อแม้ออทำไมมองตาเริ่มแพ้ผมจะใจแข็งและจับคุณมามัดไว้ตอนนี้หัวใจเริ่มสั่น คุณนั้นท้าใม้พอเป็นโจนกลับใจ oh, เดินไปรักตัวเปดิดกันภายในคือ ก, การบนส่งความรัก